สิกขาบทที่สองิกษุนีบวชให้กุมารีมีอายุครบ20ปีแต่ยังไม่ได้ศึกษาศิกขาในธรรมหข้อตลอดสองปีต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กำลังบวชให้ต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อบวชให้แล้วต้องอาบัตปาจิตตี